และเมื่อตายไปแล้วก็จะไปเกิดในสุคติภูมิหรือในทุขติภูมิอย่างไรดังเช่นในคำทีได้กล่าวไว้ว่าภิกษุ น, นั้นเมื่อมีจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรแกการงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้ว ก็โน้มน้อมกิจไปเพื่อรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายเธอย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์นสามได้ดีตกยากด้วยทิพจักสู่อาลบริสุทธิ์ร่วงจากสู่ของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผูเป็นไปตามกรรมว่า สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตติเตียนทระรยาเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือกลางกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกติมิริบาสนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริต มนโนสุจริตไม่ตีเตียนพระริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทาด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เปรียบเหมือนปราศาสตั้งอยู่หน้าทางสามแพร่งท่ามกลางพระนครบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนปราศาสนั้น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 ข้อความในพระสูตรนี้เป็นคำของพระพุทธเจ้าที่ตรัสถึงพิสุผู้ที่ได้ทิประจักสูตซึ่งทุกองค์ที่ได้สมาธิขั้นนี้ย่อมจะรู้แจ้งว่าคนที่ทำกรรมต่างๆนั้นเมื่อตายไปแล้วย่อมจะไปเกิดในสุคติหรือทุคติตามกรรมที่ตนได้กระทำไว้ซึ่งจะเห็นได้ชัด เหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนปราสาทมองเห็นคนที่อยู่ข้างล่างและขอให้สังเกตว่าผู้ที่จะรู้ว่าคนเราตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ไหนก็ต่อเมื่อต้องมีตาทิพมองเห็นโอปปจิกะทั้งหลายและขอให้นึกถึงในคืนวันตรัสรู้ในยามที่หนึ่ง พระองค์ทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุสติยานคื อ, อยานที่ทําให้ระลึกชาติได้ในยามที่สองพระองค์ทรงบรรลุจุตูปปาตยานยานที่รู้ถึงเรื่องจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายในยามที่สาพระองค์ทรงบรรลุอาสวัขยายนยานยาที่ทําให้อาสวะหมดสิ้นไป การที่กระพุทเจ้าได้นำข้อความซึ่งเป็นพุทธพจน์ตรัสเล่าถึงเรื่องพิสุที่ฝึกสมาธิจนกระทั่งได้ทิปจักสุมาอ้างนี้ก็เพื่อต้องการจะเชี่อเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสากลคือใครก็ตามถ้าฝึกสมาธิมาถึงขั้นนี้แล้วก็จะมีความสามารถเหมือนอย่างนี้ทุกคน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 เพระเหตุว่าพระองค์เป็นคนแรกที่รู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับเรื่องจุติและปฏิสนธิและทรงรู้แจ้งกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งกว่าสมณะหรือพราม์ใดๆทั้งหมดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอยู่ในเรื่องพรหมชาลสูตรสามัญยผลสูตรและมหาสี h นา a สูตร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 เมื่อสอนให้เขามีความรู้ความสามารถอย่างนี้แล้วต่อไปภายหน้าเขาจะต้องได้ทำงานอย่างนั้นอย่างนี้และจะมีผลอย่างนั้นอย่างนี้ครูที่ดีจะไม่สอนอย่างทรงเยต์สักแต่ว่ามีความรู้ในเรื่องอะไรก็สอนไปการสอนแบบนี้ยังไม่ได้ผลคนเรียนก็มักจะเบือ่อเพราะไม่เห็นทางก้าวหน้า แต่สําหรับพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์จะทรงสอนใครให้ถือศีลหรือให้ฝึกสมาธิคือสอนให้ละเว้นในเรื่องอะไรก็าตามพระองค์ได้ทรงรู้แจ่มแจ้งแล้วว่าเมื่อเขาละเว้นจากความชั่วอย่างนั้นอย่างนี้ได้และได้ทําความดีอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปในอนาคตเขาจะต้องได้รับผลอย่างนั้นอย่างนี้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 จะมีความสุขความเจริญแค่ไหนเขามองเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นจึงได้พยายามทุ่มเทเรียนกันยอมเสียสละเงินเสียสละเวลาเสียสละทุกสิ่ง ท, ทุกอย่างที่จะเป็นประโยชน์ในการเรียนแม้จะต้องใช้เวลาหลายปีเขาก็พยายามทำกันด้วยเหตุนี้การศึกษาในทางโลก จึงได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วส่วนการเรียนในทางศาสนาได้เจริญอย่างเชื่องช้าก้าวหน้าไม่ทันกับความเจริญในทางโลกทั้งนี้ก็เพราะผู้สอนไม่ค่อยจะแน่ใจในผลของกรรมสักแต่ว่าเมื่อมีหน้าที่ก็สอนกันไปเช่นผู้สอนส่วนมากไม่กล้าที่จะยืนยันด้วยความแน่ใจว่า คนเราเมื่อตายแล้วจะต้องเกิดอีกชีวิตที่เรียกว่าโอปะปะติกามีจริงนรกสวรรค์มีจริงคนที่ทำบุญหรือทำบาปตายไปแล้วจะต้องได้รับผลอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่กล่าวไว้ในคำทีจริงผู้สอนส่วนมากไม่ค่อยมีความแน่ใจว่าจะมีผลเหมือนอย่างที่กล่าวไวในคำที เพราะถ้าหากผู้สอนแน่ใจหรือเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งจริงๆว่าการบริจาคทานหรือการเสียสละจะเป็นเหตุทำให้ร่ำรวยผู้สอนที่มีความแน่ใจตามนี้ก็คงจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยการเสียสละแต่ผลที่ปรากฏโดยทั่วไปหาได้เป็นเช่นนี้ไม่ การสอนศาสนาส่วนใหญ่มักจะสอนเพื่อประโยชน์ของตัวเองมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทั้งนี้ก็เพราะตนเองไม่มีความแน่ใจว่าผลของการปฏิบัติจะเป็นเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ส่วนพระพุทธเจ้าทรงทรงมีความแน่ใจว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะต้องมีผลออกมาอย่างนี้จริงๆ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 และผู้ที่รับการแนะนำสั่งสอนก็จะเกิดศรัทธาในตัวผู้สอนอย่างมากด้วยอันหนึ่งขอให้สังเกตว่าการรู้เรื่องอนาคตของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเฉพาะแต่ในชาตินี้เท่านั้นแต่พระองค์ทรงอย่างรู้ไปถึงชาติหน้าได้อย่างแจ่มแจ้งอีกด้วยดังเช่นเมื่อพระเทวทัต ในขณะที่กำลังถูกแผ่นดินสูบได้กล่าวคําปฏิญาณซึ่งออกมาจากใจจริงขอยึดถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเพียงแค่นี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงพยากรณ์ว่าต่อไปในอนาคตอีกไกลพระเทวทัตจะได้สำเร็จเป็นพระปฏิเจ้าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งแต่ในขณะนี้ จะต้องไปตกนรกเสวยผลของกรรมชั่วที่ได้ก่ อ, อไว้หลายอย่างไม่มีใครช่วยได้นี่คือตัวอย่างอันหนึ่งที่แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงมีปรีชาญาณอย่างรู้ถึงทางที่จะไปสู่ภูมิทั้งปวงเพื่อให้ความหมายของญาณข้อนี้เป็นที่แจมแจ้งยิ่งขึ้นท่านควรจะได้อ่านข้อความบางตอน ในมหาสีหานาถสูตรซึ่งเป็นถ้อยคำที่พระพุทธองค์ได้ตัดไว้เองดังต่อไปนี้ดูกระสารีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตย่อมเห็นมูสัตว์ที่กำลังสุติกำลังอุบัติเลวรันีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์สามได้ดีตกยากด้วยทิพจักษุอันบริสุทธ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 สิวนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริตไม่ติเตียนพระริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจแห่งสัมมาทิฏฐิเบื้อหน้าแต่ตายไปเขาย่าเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดูกระสารีบุตรข้อที่ตถาคตเห็นมูสัตว์ที่กำลังจุดจิ กำลังอุบัติเร็วตันีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์นสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธร่วงจากสุมนุษย่อมรู้ชัดซึ่งมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมนี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญญาณฐานนาแห่งผู้เป็นโจก คือพูดได้เต็มที่ว่าในเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครยิ่งกว่าบัรลือศีหานาถในบริษัทยังพรหมจักให้เป็นไปข้อความในพระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงรู้ทางที่จะไปสู่ภูมิทั้งปวงด้วยทิพจักรสูส่วนข้อความที่จะกล่าวต่อไปนี้ ทรงทรงรู้แจ้งทางที่จะไปสู่ภูมิทั้งปวงด้วยเจโตปริยญาณดูกระสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจของกาถาคตอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นนำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเมื่อนหน้าแต่ตายเพราะกายแตก จะเข้าถึงอาบาลทุกติวินิบาตนรกโดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งอาบายทุกติวินิบาตารกเสวยทุกเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยทิพะจักรสู่อันบริสุทธิ์ล่วงจากสู่ของมนุษย์ ดูกระสารีบุตรเปรียบเหมือนหลุม่านเพลิงลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยฐานเพลิงปราศจากเปลวปราศจากควันลำดับนั้นบุรุษพขามีตัวอันความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะทานหิวกระหายมุ่งมาสู่หลุม่านเพลิงนั่นแหละโดยมักคาสายเดียว บุรุษผู้มีจกักษุเห็นเขาแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นขึ้นสู่หนทางนั้นจักมาถึงหลุมฐานเพิงนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจกักษุนั้นพึงเห็นเขาตกลงในหลุมฐานเพิงนั้น เวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวแม้ฉันใดดูกระสารีบุตรเรายอ่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ได้ด้วยใจของกตถาคตสันนันแลข้อความที่อ้างมานี้เป็นเพียงส่วนน้อยถ้าหากจะอ้างมาทั้งหมดก็จะเป็นข้อความที่ยาวมากในที่นี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์เพียงแต่จะให้รู้หลักว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบทางที่จะไปสู่ภูมิทั้งพวงได้เพราะอะไรซึ่งจะทำให้เราได้หลักในการที่จะสอนศาสนาให้ได้ผลแต่อย่างไรก็ดีท่านควรจะได้ทราบอีกนิดหนึ่งว่าในคำทีได้กล่าวถึงกำเนิดสีคือชลาผู้ชา้าอันทชา้า สังเสธาชาโอปปติกาและคติห้าคือนรกเปรเตเกเราชานมนุษย์เทวดาอสุรกายมีมีกล่าวถึงโดยกล่าวว่าถ้าพุทธองค์ทรงรู้เรื่องกำเนิดทั้งสี่เป็นอย่างดีและทรงรู้แจ้งว่าทางที่จะนำไปสู่คติทั้งห้ามีอยู่อย่างไรและคำว่าทางในที่นี้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 ก็ได้ทรงตรวจสอบโดยที่ประจักษ์สู่อีกครั้งหนึ่งในที่สุดก็ทรงเห็นตรงกันว่าหลักอันนี้สำคัญมากเพราโดยธรรมดาครูสอนที่ดีย่อมจะติดตามความคิดอ่านของลูกศิษย์ได้ทั้งหมดลและเมื่ออ่านความนึกคิดได้ก็ย่อมจะรู้ถึงการกระทําว่าคนที่มีความรู้สึกนึกคิดแบบนี้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 ก็ย่อมจะยังรู้ได้รวดเร็วเพียงแต่สนทนาหรือซักถามเพียงไม่กี่คาก็สามารถที่จะรู้เรื่องราวของคนคนนั้นได้ตลอดถ้าพระพุทธเจ้าทรงมีความสามารถเช่นนี้แต่ยิ่งกว่านี้มากมายเพราะแม้จะไม่ได้เห็นตัวไม่ได้สนทนาด้วยแต่ในเมื่อมีพระประสงค์จะทราบว่า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 ให้เห็นข้อเท็จจริงที่คนในปัจจุบันมองเห็นได้ว่ามีความเป็นจริงอันนี้สงคัญมากการสอนในลักษณะที่อ้างถึงนิมานในสวรรค์ชั้นฟ้าโดยที่ตัวเองก็พิสูจน์ไม่ได้หรือตัวเองก็ไม่มีความแน่ใจว่าจะมีผลอย่างนานจริงการสอนในลักษณะอย่างนี้ต้องละเว้นอย่างเด็ดขาด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 ที่ปรากฏอย่างแพร่หลายตามวัดทั่วๆไปนั้นไม่ได้เป็นไปตามหลักการสอนของพุะพรธเจ้าด้วยเหตุนี้คนส่วนมากจึงเบื่อฟังเทศ